มันก็เป็นสำนวนหรือว่าบาลีที่เพิ่งมาคิดกันช่วงหลังๆนะแล้วทำไมพ่อแม่เนี่ยถึงใช้คำนี้นะกับลูกๆที่มาบวชเนหรือบวชศริรจารินีก็เพื่อจะได้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค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 เช่นความท้อถอยการที่จิตใจเนี่ยมันมีแต่จะโอดครวนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือไม่เช่นนั้นก็ไปหวนนึกถึงความสุขส บ, บายที่มีก็ไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยความยุ่งยากความลำบากเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าสู้ๆเนี่ย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 เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาอุจจจะกุกุจจะเนี่ยบางทีเมื่อเกิดความสงสัยว่ามาทําอะไรเนี่ยนะมันจะได้ประโยชน์เลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เรียกว่าเกิดความลังเลงสงสัยวิจิกิจฉารวนทั้งความงองเอาหาอนอนนะอันนี้ก็คือตัวกิเลสหรืออารมณ์ที่มารบกวนสําคัญสําคัญ ที่ยิมก็มีมากกว่านี้นะแต่เนี่คือตัวหลักๆนะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะไม่เป็นการภาวนาหรือการทำความดีก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้มารบกวนนะและเนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสู้นะเราต้องผ่านไปให้ได้สู้อะไรก็ไม่ยากเท่ากับสู้นะ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 ดูโทรทัศน์หรือว่าคุยเล่นกับเพื่อนลูกบางทีก็งองแงเนยะไม่อยากจะทำการบ้านไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะนั่งหน้าจอโทรทัศน์อยากจะเล่นเกมไปเรื่อยๆแม่ก็พ่อก็ต้องเขี่ยวเข็นลูกนะว่าออต้องสู้นะนะมันเหนื่อยมันยากก็ต้องสู้แต่ว่าพอ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 ไม่รู้จักสอนตัวเองว่าให้สู้เวลาเขี้ยวเข็นให้ลูกว่าเนี่ยอย่าไปอย่ามันไปมัวแต่เล่นเกมนะให้อ่านหนังสือนะพอลูกอ่านหนังสือได้ประเดี๋ยวเดียวก็จะไปเล่นเกมจะไปเบิดโทรทัศน์นะพ่อหรือแม่ก็ก็เขี่ยวเข็นลูกให้กลับไปอ่านหนังสือนะอย่าไปเล่นเกมนะลูกก็ขาด มันติดเกมมากนะันก็าสุขทรมานนะนะพ่อแม่ก็บอกให้ลูกสู้นะอย่าพ่ายแพ้ต่อไอ้ความอยากรวมทั้งเวลาอ่านหนังสือมันเบือ่อก็ก็ไปอย่าไปยอมแพ้ก็ทำนะอ่านไปเรื่อ ย, อยการบ้านคิดไม่ออกก็พยายามลูกท้อลูกไม่อยากนะแม่ก็เขี่ยเข็นพ่อก็พยายามกดดัน แต่เวลาตัวเองเนี่ยเวลาพ่อหรือแม่นี่นะพอมาภาวานาก็พฤติกรรมก็ไม่ต่างจากลูกเลยบางทีหนักกว่าสิ่งนะลูกอ่านหนังสือยี่สนาทีก็เบื่อแล้วแต่แม่หรือพ่อนี่ภาวานาแค่สิบนาทีก็เลิกแล้วพยายามพยายามกระตุ้นพยายามเล้ายังไงก็ก็ไม่เอา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 หรือบางทีแย่กว่าลูกอีกนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะมาเตือนใจเรานะในเรื่องเวลาพูว่าสู้ๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราการที่คนเราจะสู้ได้เนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งนะคือขันติขันติคือความอดทนจริงๆในในพุทธศาสนามันมีคำสองคำนะที่ ค, คล้ายๆกัน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 ความบันเทิงเริงรมเนี่ยมันลอยอยู่นะในอากาศเลยในรูปของสัญญาณนะถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเราเปิดปุ๊บนี่มันก็จะมีล้เสียงเพลงออกมาอยากจะดูหนังเรื่องไหนเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดูได้เป็นไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะเป็นล้านล้านเรื่องไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันทำให้ถ้าคนเราไม่มีความไม่มีตะบะนะ มันก็จะหลงไหลเพลิดเพลินเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นธาตุของวัตถุแล้วก็เกียดติค้าไม่เป็นอันทํางานคนเรานี่จะเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีตรงนี้ด้วยก็คือว่าแม้มันจะมารอ่ราอเร้าย้อนยุ่นยังไงก็อ่ะก็ไม่ไม่ไม่หลงเพลิดเพลินไม่ละทิ้งงานการที่ยังทําอยู่ไม่ละทิง้งนะความรับผิดชอบที่มีอยู่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 เวลาตามอาจารย์เนี่ยไปไปดูคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าไปราวไปราวราว์คือแปลาออกไปดูคนไข้นะตามเตียงเนี่ยบางทีก็ไปกันประมาณสิบยี่สิบคนนะไปดูคนไข้นะไม่ว่าจะเป็นศินิราดรา ม, มาหรือว่าศีนักเกลียเนี่ยพวกนี้เป็นโรงพยาบาลนะประจําโรงเรียนแพทย์ก็จะมีเนี่ย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 เดี๋ยนี้นักศึกษาแพทย์เป็นอย่างเงี้เนี่ยนะไม่สนใจเลยเนี่ยไม่สนใจอาจารย์บรรยายนี่ขณะคนที่เป็นหัวกะทิของประเทศนะคือถ้าไม่ใช่หัวกะทิเนี่ยเรียนหมอไม่ได้หรอกนยังเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่มีตาบะนะไม่มีตาบะคือไม่มีความรู้จั ก, จกข่มใจเวลามันมีสิ่งเย้ายวนแต่วเดี๋นี้สิ่งเย้ายวนเนี่มันติดตัวเราไปตลอดเวลานะ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 ความหมายคาว่าสูู้นะเดี๋ยวนี้เราพูดคำว่าสู้สู้เนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าความหมายมันคืออะไรมันมีนัยยะอะไรบ้างนะถ้าไม่มีสา ร, ระการนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าสู้สู้ไม่ได้นะการนี้คนที่บอกให้ลูกสู้ๆูเนี่ยหรือว่าคนที่บอกลูกศิษย์ให้สู้สู้นะถ้ากว่าสามารถที่จะอธิบายให้เด็กเขาเข้าใจว่าเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันต้องมีอะไรบ้างนะ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 อ่าสิ่งเราเราเย้ายวงนง่ายๆคล้อยตามไปกับความเม็ดอร่อยความเพลิดเพลินแต่พอมีสเตปปุ๊บเนี่ยนะเออมันมันได้คิดขึ้นมาว่าไอ้เขืนปล่อยใจไปกับสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันทรมาหากินไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันปฏิบัติแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยนะมันก็ยังติดนะเลิกไม่ได้ต้องต้องข่มใจบ้างต้องตัดใจนะไม่ดูมันนะหรือว่า